สิกขาใช้รายการแยกส่วนจัด ก, การจากข้างนอกเข้าไปได้พูดไว้ข้างต้นว่าสิกขาเป็นการจัด ก, การจากภายนอกโดยว่าไปตามรายการที่กำหนดให้ฝึกให้ศึกษาเป็นเรื่องๆเป็นชุดๆไปในแบบแยกส่วนตามแผนของสิกขายกตัวอย่างง่ายๆเช่นจะให้คนเรียนรู้ให้ฝึกให้ศึกษา เพื่อจะได้เป็นคนมีศีลก่อนจะพูดต่อไปขอทําความเข้าใจกันไว้ก่อนว่าในเรื่องธรรมะและในเรื่องพระพุทธศาสนาทั่ ว, วไปนั้นในภาษาไทยมีปัญหาเรื่องถ้อยคำที่เพี้ยนความหมายมากมายไปหมดเช่นมานะมีความหมายเดิมว่าอยากใหญ่อยากโตถือตัวแต่ในภาษาไทยกลายเป็นมุ่งมั่นภาคเพียน อิจฉาเดิมว่าความอยากแต่ในภาษาไทยกลายเป็นรติสายภาวนาเดิมว่าพัฒนาแต่ในภาษาไทยกลายเป็นพร่ำบนคิดหมายให้สมดังนี้เป็นต้นศีลก็เป็นคำหนึ่งที่คนไทยเข้าใจคลาดเคลื่อนอย่างน้อยก็พร่ามัวคลุมเครือจึงต้องทำความเข้าใจให้ชัดก่อน ศีลนั้นในความหมายที่จริงแท้หรือเคร่งครัดเป็นคุณสมบัติในตัวคนเช่นว่าเขาเป็นคนมีศีลก็คือเขามีความประพฤติมีพฤติกรรมการแสดงออกทางกายทางวาจาที่ดีไม่เบียดเบียนไม่ก่อความเดือดร้อนเสียหายแต่คนไทยมักมองศีลในความหมายว่าเป็นกฎเป็นข้อห้ามเป็นข้อข้อซึ่งอยู่ข้างนอกที่จะต้องเอาไปปฏิบัติไปทาตาม ซึ่งท่านก็ยอมให้ใช้ในความหมายอย่างนั้นได้บ้างในระดับที่เป็นภาษาพูดหรือไม่เป็นทางการเช่นที่พูดว่าขอศีลเอาศีลห้าไปรักษาในที่นี้ขอนำเอาเนื้อความที่เคยพูดไว้ที่อื่นมาเล่าเป็นการอธิบายดังนี้ว่าถึงแม้ที่เรียกกันง่ายๆว่าศีลห้าศีลแปดศีลสิบ น, น, น, นั้นท่านปล่อยให้เรียกได้ในการพูดจาทั่วไป แต่พอจะเอาจริงจังจะทำเป็นกิจจลนะักษณะคือในเวลาสมาทานจะรับจะถือเอาไปปฏิบัติจริงจังที่เรียกกันว่ารับศีลท่านให้พูดว่าสิกขาบทสศสิกขาบทหศสิกขาบท 10. ส0ศีลของพระภิกษุที่ชาวบ้านพูดว่าศีล227นั้นคำที่ถูกต้องคือ227ศิสิกขาบท เพราะฉะนั้นขอให้สังเกตเราได้ยินพูดกันเรื่อยว่าชาวบ้านมาขอศีลแล้วเราก็พูดกันว่าพระให้ศีลแต่ดูให้ชัดสิที่จริงพระไม่ได้ให้ศีลพระไม่เคยให้ศีลขอให้ดูคำที่ท่านว่าจริงๆไม่มีหรอกพระไม่เคยให้ศีลโยมาขอศีลแล้วท่านให้อะไร ที่นี้ก็ดูกันให้ชัดญาติโยมมาขอศีนมาถึงก็ว่ามะยังพันเตวิสุงวิสุงรักนัทายะติศสารเนศนสหะปัญจศีลานิยาจามะบอกว่าข้าแต่ท่านผู้เจริญข้าพเจ้าทั้งหลายขอศีนห้าพร้อมทั้งตรายสรณะในที่นี้คือเพื่อจะรักษาแยกเป็นข้อๆนิยมบอกขอศินห้าแล้วพระจว่าอย่างไรหลายคนพูดว่า พระก็ให้ศีลสิแต่เปล่าพระไม่ได้ให้ศีลหรอกก่อนที่พระจะว่าอะไรตอนนิ่งอยู่นั้นขอให้นึกเหมือนพระบอกในใจว่าศีลเป็นคุณสมบัติในตัวคนไม่มีใครเอาศีลมาให้แกยโยมได้หรอกถ้าโยมจะเอาศีลโยมก็ต้องปฏิบัติแล้วโยมก็ทำตัวให้มีศีลขึ้นมาเองแหละเอาล้นะอัตมาจะบอกสิกขาบทให แล้วโยมเอาสิกขาบทนั้นไปปฏิบัติโยมก็จะมีศีลเป็นของโยมเองถ้าโยมตกลงก็ว่าตามอัตมานะเสร็จแล้วพระก็บอกสิกขาบทคือข้อฝึกข้อศึกษาให้ขอให้ดูนะหนึ่งปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปทธังสมาธิยามิบอกว่าข้าพเจ้าขอรับเอาไปถือปฏิบัติซึ่งสิกขาบทที่จะเว้นจากการทาลายชีวิต ในที่นี้ไม่มีคำว่าศีลเลยเนี่ยหละหนึ่งคำว่าศีลก็ไม่มี 2.. ก็ไม่ได้ให้อะไรด้วยเพียงแต่บอกสิกขาบทให้เป็นเรื่องของโยมเองเมื่อใจเอาโยมก็พูดแสดงความตั้งใจบอกว่าตัวข้าพเจ้าขอรับเอาสิกขาบทไปปฏิบัตินี่คือโยมตกลงเอาสิกขาบทคือข้อฝึกข้อศึกษาห้าข้อไปปฏิบัติ แล้วยมก็จะมีศีลของตัวเองเมื่อเข้าใจความหมายของถ้อยคำดีแล้วก็มาดูสิขาในการฝึกศึกษาให้คนมีศีลตามแผนของสิขาที่จัดการจากภายนอกเมื่อจะให้คนฝึกศึกษาเพื่อเป็นคนมีศีลท่านก็จัดตั้งวางวินัยคือกฎหมายขึ้น วินัยนั้นประกอบด้วยสิกขาบทคือกฎหรือข้อปฏิบัติหรือข้อบัญญัติข้อหนึ่งหนึ่งหรือมาตราหนึ่งหนึ่งเมื่อบุคคลนั้นๆปฏิบัติตามถือตามหรือรักษาสิกขาบทนั้นๆหรือพูดรวมๆ ว, ว่าปฏิบัติตามกฎหมายก็เป็นคนมีศีลเข้าไปอยู่ในมรรคจะเห็นว่า วินัยหรือสิกขาบทกฎหมายหรือข้อบัญญัติเป็นของจัดตั้งขึ้นข้างนอกอยู่ในแผนของสิกขาคือการศึกษาแต่ไม่มีในมรรคเมื่อคนปฏิบัติตามนั้นกลายเป็นคนมีศีล น, นี่คือเป็นคุณสมบัติอยู่ในชีวิตของคนศีลจึงอยู่ในมรรคในทํานองเดียวกัน เมื่อคนต้องการมีสมาธิเขาไปบอกอาจารย์หรือท่านผู้ชำนาญว่าขอสมาธิอาจารย์ก็ให้สมาธิไม่ได้และเขาจะเอาสมาธิก็ไม่ได้อาจารย์จึงต้องใช้วิธีของสิกขาคืออาจารย์บอกวิธีฝึกให้ที่เรียกว่าให้หรือบอกกรรมฐานแล้วเขาเอาวิธีฝึกนั้นไปหัดไปปฏิบัติจนกระทั่งถ้าสำเร็จเขาก็เกิดมีสมาธิของเขาเอง นี่ก็จะแยกได้ระหว่างขั้นตอนของสิกขากับของมักเช่นเดียวกันอีกเมื่อคนต้องการมีปัญญาเขาไปบอกอาจารย์หรือท่านผู้รู้ว่าขอปัญญาอาจารย์ก็ให้ปัญญาไม่ได้และเขาจะเอาปัญญาก็ไม่ได้อาจารย์จึงต้องใช้วิธีของสิกขาคืออาจารย์พูดปัญญายอธิบาย หรือบอกให้ไปอ่านไปฟังนั่นนี่แล้วเขาฟังหรือเอาคำสอนคำบรรยายเป็นต้นนั้นไปอ่านไปคิดพิจารณาให้รู้เข้าใจเขาก็เกิดมีปัญญาของเขาเองนี่ก็จะแยกได้ระหว่างขั้นตอนของสิกขากับของมักทั้งนี้ก็จึงพูดให้เข้าใจแยกสิกขากับมักได้เช่นว่าโยมขอศีล ระบอกสิกขาบทให้เอาไปรักษาโยมขอสมาธิระบอกกรรมฐานให้เอาไปปฏิบัติโยมขอปัญญาพระเทศกล่าวธรรมกถาหรือบอกถ้อยวาจาให้เอาไปวิจัยในเรื่องอื่นๆทั่วๆไปก็พึงเข้าใจทํานองนี้